สวัสดีครับวันนี้จะมาสนทนาธรรมกันเรื่องการฝึกสติและการฝึกสมาธิแบบจิตตังมันนะครับการฝึกสตินะครับจะต้องเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยอย่างเช่นการจะฝึกสมาธินะครับการทาสมาธิที่สำคัญที่สุดนะครับจะต้องเริ่มต้นด้วยสติเสมอท่านั้นถ้าจะเป็นสัมมาสมาธิจะต้องฝึกสติเสมอสติที่ถูกต้องต้องเป็นสติที่ รองรับด้วยสมาธินะครับมีความตั้งมั่นในการรู้และสติที่จะพัฒนาได้เต็มที่ต้องพัฒนาจากสัมมาวายามะซึ่งมีความเพียรในการละบาปอากุศลที่เคยทำหรือไม่เคยทำแล้วก็ต้องมีความเพียรในการเพิ่มกุศลที่เคยหรือไม่เคยนะครับให้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆ เ, เพราะนั้นสติที่ถูกต้องต้องมีความเพียรก่อนในการที่จะฝึกสติได้ดีนั้นนะครับอย่างแรกนะครับในการฝึกสติ เราจะต้องให้สตินั้นเป็นสติปัฏฐานซึ่งปฏินั้นสตินั้นเป็นสติที่มีเครื่องอยู่มีบ้านอยู่ที่เรียกว่าวิหารธรรมนั่นเองมันสังเกตนะครับระหว่างวันนะครับเราสามารถฝึกสติได้โดยการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะเป็นแดนผ่านให้กิเลสนะครับจากภายนอกเข้ามาสู่ใจเราได้เพราะฉะนั้นการฝึกสติฝึกร่มเริ่มจนจากการท่อที่1คือต้องมีวิหารธรรม วิหารธรรมคือเครื่องอยู่ก็คือหนึ่งในสติปัฏฐาน4จะเป็นกายเวทนาจิตหรืธรรมหรือเป็นกรรมฐานกองหนึ่งก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทําแล้วสติมันเกิดบ่อยท่านใดถนัดลมหายใจท่านใดถนัดพุดโทโธท่านใดขณะขยะกขณะอาถนาัถนัดพองหนอยุบหนอหรือว่าจะการขยักายกายก็ได้แล้วแต่ท่านที่จะ ใช้นะครับหรือว่าท่านใดไม่ถนัดดูไกาก็ดูจิตไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างวันหรือว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์เพื่อหนทางแห่งมรรคนะครับอันดับแรกต้องมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตนะครับให้รู้สบายๆนะครับแล้วมีเครื่องอยู่สบายสบายแล้วก็ตามรู้ทำตามดูจิตที่ไหลออกไปเมื่อจิตฟุ้งออกไปปุ๊บรู้ทันจิตไปคิดรู้ทันจิตขยับไปทางตารู้ทันพอรู้แล้วก็กลับมาที่วิหารธรรม รู้บ่อยๆเหนืองๆสติก็เกิดเหนืองๆเมื่อสติเกิดเหนืองๆแล้วสติตัวเนี้ก็จะค่อยๆรู้บ่อยขึ้นรู้บ่อยขึ้นสติตัวนี้มันจะกลายพัฒนาเป็นสมาธินะครับคําว่าสมาธิหมายถึงว่าความตั้งมั่นเมื่อรู้บ่อยๆโดยบ่อยจิตก็เลยตั้งมั่นในการรู้ขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นในการรู้ก็เป็นสมาธิแล้วอย่างถ้าเกิดนั่งๆอยู่แล้วเบื่อก็รู้ว่าเบื่อแล้วลกลับมานั่งมาดูที่วิหารทำต่อพอฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านแล้วกลับมาที่ กายที่หายใจต่อรู้สบายๆต่อไปถ้าเกิดจะเดินนิพพสนาพอจิตเบือ่อแล้วรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้ต่อก็ดูซีความเบื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นนิพพานาเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างวันเราต้องหมั่นฝึกให้มีสติเกิดก่อนเมื่อสติเราเกิดแล้วต่อไปถ้ามีสภาวะธรรมใดกระทบขึ้นมานั่งไปแล้วแล้วมีความรู้สึกฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็ดูต่อไปขณะที่จิตตั้งมั่นในการรู้เนี่ยจิตจะเห็นเลยสภาวะธรรมนั้นเกิดแล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นถ้าการฝึกสติระหว่างวันนะครับเราหมั่นรู้กายรู้ใจเป็นเรื่อยอะไรที่เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันขนาดที่รู้ทันแล้วก็ดูต่อไปด้วยสติสมาธิตั้งมั่นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้ารู้บ่อยๆรู้เนืองๆสติจะมีความเป็นอัตโนมัติแล้วต่อไปสติจะทํางานเขามันเองต่อไปแล้วนีครับพอเวลาเบื่อเกิดขึ้นฟุ้งซ่านเกิดขึ้น จิตมันจะรู้ทันด้วยตัวมันเองสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดเองสมาธิก็จะอัตโนมัติเองจะเห็นความจริงแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองมันจะเป็นงานที่วิเศษที่สุดถ้าเราทําจนทุกอย่างเป็นอัตโนมัติแต่ว่ามันจะอัตโนมัติได้ต้องอาศัยความเพียรและความต่อเนื่องนะครับเมื่อเพียรและต่อเนื่องสติจะเกิดเองสติเนี่ยจะมีความเป็นอัตโนมัติโดยจะมีคําว่าทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เกิดพร้อมกับสติมันจะจําอารมณ์ได้ว่านี่คือฟุ้งนะนี่คือหลงนะนี่คือรู้วตัวนะ เมื่อมันรู้บ่อยมันจําบ่อยต่อไปมันจะจําสภาวะของความโลภความโกรธความหลงได้ต่อไปถ้ามันขยับปุ๊บไอ้ทีละสัญญามันจะจําอารมณ์ได้แล้วมันจะเด้งกลับมาที่รู้สึกตัวเองต่อไปเนี่ยมันตั้งมั่นที่ฐานมันจะไม่เด้งครับแต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบหรือมีความรู้สึกเกิดขึ้นจิตจะรู้อยู่ที่ฐานแล้วจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์นั้นทําไมอารมณ์นั้นถึงไม่ปรุงแต่งต่อเพราะตัวจิตนี้เองตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตกระโจนออกมาที่อารมณ์ อารมณ์นั้นก็สามารถต่อยาวได้เพราะจิตไปให้ค่ามันเมื่อจิตไปจับอารมณ์ขันห้าก็ปรุงทันทีเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นที่ฐานมันได้เกิดการปรุงแต่งของขันห้ายาวไปทั้งวันทั้งคืนถึงโลภถึงโกรธถึงหลงดีใจเสียใจยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วดูอารมณ์อารมณ์จะดับไปเห็นต่อหน้าต่อตา เพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นและจิตอยู่ที่วิหารธรรมนะครับอารมณ์จะดับไปเห็นแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดับแสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นและจิตไม่ถึงฐานนะครับมันสังเกตดูเรานะครับระหว่างวันถ้าเราภาวนาจริงๆนะครับเราภาวนาต่อเนื่องด้วยสติจะนั่งจะเดินจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดเราสามารถมีสติต่อเนื่องได้ทุกเวล า, ราเราไม่ได้นั่งเพื่อเอาดีเพื่อเอาสงบความสงบเพื่อความจเจริญเราไม่ได้นั่งเพื่อหลับตาต่อเนื่องเอาสมาธิต่อเนื่อง แต่สมาธินี้นะครับเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสตินะครับเพราะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนืองเนืองสมาธิก็เลยมาตั้งมั่นที่สติเลยกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาและเห็นอาการทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะจิตนั้นไม่กระโจนออกเพที่อายตนะแล้รับรู้อารมณ์แต่จิตนี้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยการมีสมาธิเป็นผู้ตั้งมั่นในขสติและอยู่ในพิหาธรรมแล้วเลยเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้เป็นการเดินงานของสติปฐาน4ี่และเอาสติปฐานสี่นั้นมาเดินวิปัสนา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามันฝึกเนืองๆระหว่างวันสติก็จะเกิดบ่อยแล้วเมื่อสตินะครับมันมีความตั้งมั่นจะเป็นสมาธิขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะรู้ที่กายที่ใจต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสรูสัมผัสเลยเมื่อกระทั่งนึกคิดเกิดขึ้นเวลากระทบปุ๊บกิเลสมันจะพุ่งขึ้นมาที่หน้าอกเราเพราะฉะนั้นอายตนะกระทบปุ๊บมันจะมีความอยากมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วมีความอยากแล้วมีมีความ คลึงเค้ากับอารมณ์นะครับมีอุปทานเกิดขึ้นมันจะผุดมาที่หน้าอกตาเห็นรูปปุ๊บชอบไม่ชอบจะเกิดขึ้นที่หน้าอกหูได้ยินเสียงปุ๊บไม่ชอบไม่ชอบตันหาจะเกิดขึ้นจะพุ่งมาที่หน้าอกเมื่อพุ่งมาที่หน้าอกแล้วปุ๊บเนี่ยสติเนี่ยจะมองเห็นแล้วจะชะลออารมณ์ทั้งหลายเมื่อสติเกิดขึ้นจะมีสัมปชัญญะแล้วเราจะโยนิโสมนัสการว่าสิ่งนี้สมควรไม่สมควรพอย้อนมาดูใจแล้วก็ต้องละบาปอากุศลด้วยถ้าบาปอากุศลเกิดขึ้น ให้รู้แล้วก็ละมันขนาดที่เรารู้นะครับมันละประเด็ น, นตัวแล้วนะครับก็รู้อยู่ในฐานมันละแล้วมันก็ละบาปกุศลปรนตัวเพราะฉะ น, นั้งกุศลก็เกิดขึ้นบ่อยอากุศลก็ถูกละไปในตัวเพะฉะนั้นมันรู้แล้วก็ดูความเป็นใจรักด้วจิตทั้งมันแล้วก็เป็นกลางจะทําให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปความสุขขุมลุ่มลึกก็จะเกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นแล้วจิตจะหัดวางอารมณ์ได้ง่ายอย่างมหาศาลมันจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นกุศลและอากุศล มั่นนะครับฝึกตามรู้ตามดูไปแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะครับขออนุโมทนาสาธุและนี่ขอเป็นการบ้านสำหรับอาทิตย์นี้สำหรับทุกๆ ท, ท่านนะครับขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไถ่บุญในธรรมและขาขอให้ทุกท่านจนคาวนาให้ถึงที่สุดจนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด